ชนะที่ยากจะต่อแยงได้อันว่าความรักนั้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครล้วนส่งผลเท่าเทียมกันความรักเช่นนั้นก็ได้ก่อให้เกิดความทุกข์อันใหญ่ลวงยิ่งนะักความรักอันร้อนร้ายนั้นยังได้เกิดกับบรรพชิตผู้ที่ได้ชื่อว่าต้องสละเสียซึ่งความรัก กีากำลังตักน้ำอยู่ที่บ่อ น, น้ำใกล้วัดเชตวันอันพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่นั้นภิกษุหนุ่มรูปงามรูปหนึ่งได้เดินทางฝ่าเปลวแดดจนเหนื่อโทรมกายผ่านมาทางบ่อ น, น้ำที่นางอยู่ท่านได้กล่าวขึ้นด้วยเสียงอันสุภาพอ่อนโยนนงหญิง อาตมาเดินทางมาจากที่ไกลนะรู้สึกกระหายน้ามากอาตมาขอบินธบานน้ำจากท่านดื่มพอแก้กระหายด้วยเถิดนางโกกีลาเมื่อเงยหน้าขึ้นพบกับภิกษุรูปงามผิวพรรณดีมีลักษณะอันงามและสุภาพนางถึงกับตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงถอยห่างท่าน สองสามเก้าโอ้เออพระคุณเจ้าข้าพเจ้าถวายน้ำแก่ท่านไม่ได้ดอกท่านเป็นวันนากรัตรส่วนข้าพเจ้านั้นเป็นเพียงนางทาสีท่านไม่ควรจะรับน้ำจากมือของคนวันนาต่ำเช่นข้าพเจ้าเลย อย่าคิดอย่างนั้นเลยน้องหญิงอัตมาไม่มีวันณะแล้วอัตมาเป็นส ม, มณะสักยบปุตและเป็นมนุษย์เท่าเทียมกับน้องหญิงนั่นเองเพื่อคุณเจ้าข้าพระเจ้ามิได้หวงน้าเลยแต่เกรงว่าถ้าท่านต้องรับของจากมือคนต่างวันณนะโดยเฉพาะวันณะที่ต่าต้อยยิ่งข่าด้วยแล้ว จะทำให้ท่านเป็นมนทินและจะเป็นบาปแก่ข้าพเจ้ายิ่งนะักน้องหญิงมนทินและบาปจะมีแก่ผู้มีเมตตาการุณาไม่ได้การที่อาตมาขอน้าและน้องหญิงให้น้ำนั้นมีแต่จะเป็นบุญและธรรมซึ่งจะปลดเปลื้องบาปและมนทินน้องหญิงเรื่องวันละนั้น เป็นบัญญัติทางพราหมณที่ไม่ยุติธรรมเลยแต่อัตมานั้นเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ไม่มีวันนะฉะนั้นถ้าน้องหญิงต้องการจะให้น้ำก็จงเทลงในบาตรนี้เถิดนางทาสีโกกีลาได้ยินดังนั้นจึงได้คุกเข่าบรรจงเทน้ำลงในบาตรของพระภิกษุ ในใจของนางเต็มไปด้วยความรู้สึกปิติจากคำพูดอันอ่อนโยนและไพเราะของภิกษุรูปนั้นซึ่งยืนโน้มตัวลงรับน้ำจากนางแล้วดื่มด้วยความกระหายขอให้มีความสุขเถิดน้องหญิงพระคุณเจ้าดื่มอีกหน่อยเถิดพอแล้วน้องหญิง ขอให้มีความสุขเถิดเออพระคุณเจ้าทำอย่างไรข้าพเจ้าจึงจะทราบนามของพระคุณเจ้าเพื่อเป็นมงคลแก่โตข้าพเจ้าบ้างไม่เป็นไรดอกน้องหญิงเคยได้ยินนามพระ อ, อนนท์ผู้เป็นอนุชาของพระพุทธเจ้าหรือไม่เคยได้ยินพระคุณเจ้า เคยเห็นท่านไหมไม่เคยเลยพระคุณเจ้าเขาพเจ้าทำงานอยู่เฉพาะในบ้านและมาตักน้ำที่นี่ยังไม่มีโอกาสได้ไปที่ใดเลยน้องหญิงเวลานี้ท่านกำลังสนทนากับพระอา น, น์ผู้นั้นอยู่พระคุณเจ้าเป็นมงคลแก่โสดและดวงตาของเขาพเจ้ายิ่งนัก ที่ได้ฟังเสียงของท่านและได้เห็นท่านนับเป็นบุญประเสริฐของข้าพเจ้ายิ่งแล้วอาตมาจะต้องเดินทางต่อไปแล้วขอให้น้องหญิงจงมีความสุขและสวัสดีเถิดกล่าวจบพระอานุ์ก็ลานางทาสีแล้วจึงมุ่งหน้าต่อไปยังวัดเชตวัน อันเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าแต่เมื่อจะถึงทางเข้าสู่วัดท่านก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินตามมาข้างหลังท่านเหลียวดูปรากฏว่าเป็นนางทาสีที่ถวายน้ํานั่นเองที่เดินตามมาท่านเข้าใจว่าบ้านของนางคงจะอยู่ทางเดียวกับที่ท่านเดินมา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 ข้าพเจ้าจะเข้าไปในวัดเชตวันนี่แหละเธอจะเข้าไปทำไมกันข้าพเจ้าจะไปหาพระคุณเจ้าสนทนากับพระคุณเจ้าอย่าเข้าไปเลยน้องหญิงที่นี่เป็นที่อาศัยอยู่ของพระภิกษุสงฆ์เธอไม่มีธุระอะไรอย่าเข้าไปเลยน้องหญิงจงกลับบ้านไปเสียเถิดข้าพเจ้าไม่กลับ พระคุณเจ้าเขาพเจ้ารักท่านเขาพเจ้าไม่เคยพบใครดีเท่าท่านเลยน้องหญิงพระาศาสดาตรัสว่าปกติคนเราจะดีหรือไม่ดีอาจจะรู้ได้จากการอยู่ร่วมกันและต้องอยู่ร่วมกันนานๆต้องมีโยนิโสมนสิการ และต้องมีปัญญาจึงจะรู้ว่าคนนี้มีปกติอย่างไรดีหรือไม่ดีนี่เธอได้พบเราเพียงครู่เดียวจะตัดสินได้อย่างไรว่าอัตมานั้นเป็นคนดีอัตมาอาจจะเอาชื่อท่านอาน o น์มาหลอกเธอก็ได้เธออย่าเข้ามาในวัดแห่งนี้เลย จงกลับไปเสียเถิดท่านจะดีหรือไม่ก็ช่างเถิดเขาพระเจ้ารักท่านดังที่เขาพระเจ้าได้รู้จักและสนทนาอยู่ด้วยนเวลานี้น้องหญิงความรักนั้นเป็นเรื่องร้ายมิใช่เป็นเรื่องดีพระาศาสดาตรัสว่าความรักเป็นเหตุให้เกิดทุกโศกและความทรมานใจ เธอชอบความทุกข์หรือข้าพเจ้าไม่ได้ชอบความทุกข์เลยพระคุณเจ้าเพราะความทุกข์นั้นใครๆก็ไม่ชอบแต่ข้าพเจ้าชอบมีความรักโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรักเช่นนี้ดังที่ข้าพเจ้ามีต่อพระคุณเจ้าจะเป็นไปได้อย่างไรน้องหญิงในเมื่อทําเหตุก็ต้องได้รับผล การที่จะให้มีรักแล้วไม่ให้มีทุกติดตามนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยแต่ข้าพเจ้ามีความสุขที่ได้รักพระคุณเจ้าได้เห็นและสนทนากับพระคุณเจ้าผู้เป็นที่รักอย่างยิ่งของข้าพเจ้าแล้วถ้าน้องหญิงไม่ได้เห็นอาตมาไม่ได้สนทนากับอาตมา เธอจะมีความทุกข์ไหมแน่นอนทีเดียวข้าพระเจ้าต้องมีความทุกข์เป็นอย่างมากนั่นแปลว่าความรักเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วใช่ไหมไม่ใช่พระคุณเจ้านั่นเป็นเพราะการพัดพลาดจากสิ่งอันเป็นที่รักต่างหากเล่ามิใช่เป็นเพราะความรักถ้าไม่มีรัก การพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักจะมีได้หรือไม่มีไม่ได้เลยพระคุณเจ้านีแ่แปลว่าน้องหญิงยอมรับแล้วใช่ไหมว่าความรักนั้นเป็นสาเหตุชั้นที่หนึ่งที่จะก่อให้เกิดทุกข์พระอานุนพูดจบแล้วก็ยิ้มน้อยๆด้วยมั่นใจว่า จะอัดทาที่บายให้นางโกกีลาเข้าใจและยินยอมกลับไปแต่โดยดีทว่านางโกกีลานั้นแม้จะมองเห็นเหตุผลของพระอา น, นุนว่าคมคายอยู่แต่นางก็หายอมไม่ตามวิสัยของสตรีที่มักจะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล พระคุณเจ้าความรักที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดังที่พระคุณเจ้ากล่าวมานั้นเห็นจะเป็นความรักของคนที่รักไม่เป็นเสียละกระมังคนที่รักเป็นย่อมรักได้โดยไม่เป็นทุกข์แล้วน้องหญิงเคยรักหรือหมายถึงรักใครคนใดคนหนึ่งมาบ้างหรือไม่ในชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยมาก่อนเลยเจ้าคะ่ะ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกและก็คงจะเป็นครั้งสุดท้ายอีกด้วยในเมื่อไม่เคยรักมาก่อนเลยทำไมเธอจึงจะรักให้เป็นโดยไม่ต้องเป็นทุกข์เล่าน้องหญิงคนที่จับไฟนั้นจะจับเป็นหรือไม่เป็นจะรู้หรือไม่รู้ถ้าลงได้จับด้วยมือแล้วย่อมร้อนเหมือนกันใช่ไหมใช่จะค่ะ พระคุณเจ้าความรักก็เป็นเหมือนการจับไฟอันร้อนแรงนั่นแหละทางที่จะไม่ให้มือพองพระไฟเผามีอยู่ทางเดียวคืออย่าจับไฟอย่าเล่นกับไฟเลยน้องหญิงทางที่จะปลอดภัยจากรักนั้นมีอยู่ทางเดียวคือ ยารักพระคุณเจ้าจะว่าอย่างไรก็ตามเถิดแต่ข้าพเจ้าจะหักรักจากพระคุณเจ้าเห็นจะไม่ได้เสียแล้วพระคุณเจ้าขอให้ท่านรับข้าพเจ้าไว้เป็นทาสเพื่อปฏิบัติรับใช้ท่านด้วยเถิดหากท่านไม่อาจรับรักของข้าพเจ้าได้น้องหญิง ประโยชน์อะไรที่เธอจะมารักคนอย่างอาตมาอาตมารักพระศาสดาและพรหมจรรย์นจนหมดหัวใจเสียแล้วไม่มีหัวใจไว้รักสิ่งใดได้อีกน้องหญิงพระภิกษุในพระศาสนานั้นจะมีธาตุไว้ใช้ก็ไม่ได้ยิ่งเธอเป็นหญิงด้วยแล้ว แม้จะเป็นสิท์คอยปฏิบัติก็ไม่สมควรอาตมาจะรับเธอไว้ในฐานะใดฐานะหนึ่งก็ไม่ได้ทั้งนั้นจงกลับไปเสียเถิดที่นี่ก็ใกล้คันทกุฎีของพระาศาสดาใครมาเห็นเข้าจะตมิอาตมาได้พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงสดับเสียงเถียงกันระหว่างพระอาหนุนกับสตรีจรึงตรัสถามมาจากภายในพระคันธกุฎีว่านั่นเสียงโต้เถียงเรื่องอะไรกันหรืออาหนุนพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้หญิงพระเจ้าข้าเขาจะตามข้าพระองค์เข้ามายัางวิหารให้เขาเข้ามาเถอะพามาหนี มาหาตถาคตพระเจ้าข้าพระอานุนพานางทาสีเข้าเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมแล้วนั่งอยู่พระผู้มีพระภาคจึงมีพระวาจาว่าภคินีเธอนั้นรักใครพอใจในอานุ์หรือพระเจ้าข้าเธอรักอะไรในอานุน์ ข้าพระพุทธเจ้ารักในตาพระอานนท์พระเจ้าข้าในตานั้นประกอบด้วยเส้นประสาทและเนื้ออ่อนมีขี่ตาไหลออกจากในตาอยู่เสมอครั้นแก่ลงก็จักฝ้าฟางคุณมัวไม่จำใสอย่างนี้เธอยังจะรักในตาของอานนท์อยู่หรือถ้าอย่างนั้นข้าพระองค์ รักหูของพระอานอนท์พระเจ้าค่ะพักคินีหูนั้นประกอบด้วยเส้นเอ็นและเนื้อภายในช่องหูมีของโสโครกเป็นอันมากมีกลิ่นเหม็นต้องแค่ไข่อยู่เสมอครันชาราลงก็นหนวดังนี้แล้วเธอจะยังรักอยู่หรือถ้าอย่างนั้นข้าพระองค์ รักจมูกอันโด่งงามของพระอนนท์แทนได้เจ้าคะ่ะภาีนี้จมูกนั้นประกอบด้วยกระดูกอ่อนที่มีโพรงภายในมีน้ำมูกและเส้นขนกับของโซโครกมีกลิ่นเหม็นเป็นก้อนๆ อ, อย่างนี้เธอยังจะรักอยู่อีกหรือไม่ว่านางโกกีลาจะตอบเลี่ยงไปอย่างไรพระพุทธอุม์ ก็ทรงชี้แจงให้พิจารณาเห็นความเป็นจริงของร่างกายอันส ก, กรปรกเปื่อยเน่าวนี้ในที่สุดนางก็นั่งก้มหน้านิ่งด้วยจนต่อเหตุและผลพระพุทธองค์จึงตรัสว่าภักนีเอยอันร่างกายนี้สะสมไว้แต่ของสกปรกโสโครก มีสิ่งปฏิกูลไหลออกจากทาวาวรทั้งก้าเป็นที่อาศัยแห่งสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นป่าช้าแห่งซากสัตว์นานาชนิดเป็นรังแห่งโรคอบประมาเหมือนถุงหนังซึ่งบรรจุเอาสิ่งโสโครกต่างๆเข้าไว้และซึมออกมาเสมอๆเจ้าของกายจึงต้องชำระล้างขัดทูวันละหลหลายครั้ง เมื่อเว้นจากการชำระาล้างแม้เพียงวันสองวันก็มีกลิ่นเหม็นเป็นที่รังเกียจพ้ากีนีเอย๋ยร่างกายนี้เป็นเหมือนเรือนซึ่งสร้างด้วยโครงกระดูกมีหนังและเลือดเป็นเครื่องฉาบทาที่มองเห็นเปล่งปลังผุดผาดนั้นเป็นเพียงผิวหนังห่อหุ้มเท่านั้นเหมือนมองเห็นความงามแห่งหีบศก อันวิจิตรการตาผู้ไม่รู้ก็คิดหลงไหลในหีบศพนั้นแต่ผู้รู้เมื่อทราบว่าเป็นหีบศพแม้ภายนอกจะงดงามเพียงไรก็หาพอใจเย็นดีไม่เพราะทราบชัดว่าภายในนั้นมีสิ่งปฏิกูลอันพึงรังเกียจนางโกกีลาได้ฟังพระศาสดาตรัสอยู่อย่างนั้น ความรักที่เธอมีต่อพระอานุนก็หาลดลงไม่แม้จะเห็นความเป็นจริงคล้อยตามพระวจนะของพระพุทธองค์อยู่บ้างแต่ก็ยังไม่อาจดับความสเสน่หาที่เธอมีต่อพระอานุนไปเสียได้เปรียบเสมือนน้ำน้อยไม่พอที่จะดับไฟ ไฟคือราคะภายในจิตใจของนางนั้นยังคงคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลานางคิดว่าจะทำไฉนหนอจักสามารถอยู่ใกล้พระอานุนได้แต่เมื่อไม่ทราบจะทำประการใดต่อไปดีนางจึงได้แต่ทูลลาพระศาสดาและพระอานุนกลับไปแม้กระนั้น นางก็ไม่ลืมที่จะชําเหลืองมองพระอา น, นุนด้วยความเสน่หา เป็นภิกษุณีจะได้อยู่ในบริเวณวัดเชตวันกับภิกษุณีทั้งหลายคงจะได้มีโอกาสอยู่ใกล้และพบเห็นพระคุณเจ้าอันเป็นที่รักของเราทุกวันเป็นแน่เราจะต้องรีบไปขอลาออกบวชกับนายของเราเสียเดี๋ยวนี้หลังจากนั้นนางโกกีลาก็ไม่ได้รอชา้ารีบเท่าเฝ้าพระศาสดา แล้วทูลขอบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาพระศาสดาทรงเล็งเห็นอุปนิสัยแห่งนางแล้วก็ประทานอนุญาตรับนางเข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุณีอยู่ณสำนักในวัดเชตวันแห่งนั้นเอง ที่มีความเพียรในการปฏิบัติและตั้งใจศึกษาในทางพระศาสนาด้วยดีสำรวมอยู่ในสิกขาบทปาติโมกเสมอด้วยภิกษุณีทั้งหลายจึงเป็นที่รักใคร่ของภิกษุณีอื่นๆทั้งนี้เพราะนางเป็นผู้เสีงเงย์เจียนตนและพอใจในวิเวกอีกด้วย ถึงกระนั้นก็ตามการเข้ามาบวชของนางนั้นก็เปรียบเสมือนนำน้ำมันมาวางไว้ใกล้เพลิงการได้เห็นพระอานนุนขณะให้โอวาดแก่ภิกษุณีบริษัท์ทุกเวลาบ่ายทำให้นางนั้นไม่อาจดับไฟรักในใจลงไปได้ แม้จะพยายามข่มด้วยอสุภกรรมฐานสักเท่าใดก็ตามทีวันหนึ่งพระาศาสนาได้ประทานโอวาทแก่คณะภิกษุณีเรื่องกิเลสสามประการคือราคะโทสะและโมหะ พระพุทธองค์ตรัสว่ากิเลสทั้งสามประการนี้ย่อมเผาบุคคลผู้ยอมอยู่ใต้อำนาจของมันให้รุ่มร้อนกระวนกระวาย mm hmm. เหมือนไฟเผาไม้ท่อนไม้ให้แห้งเกรียมข้อแตกต่างแห่งกิเลสทั้งสามประการนี้ก็คือราคะนั้นมีโทษน้อยแต่คลายช้า โทสะมีโทษมากแต่คลายเร็วโมหะนั้นมีโทษมากและคลายช้าด้วยบุคคลซึ่งออกบวชแล้วเรียกได้ว่าได้ชักกายออกห่างจากกามราคะแต่ถ้าใจยังหมกมุ่นผัวพันอยู่ในกามก็หาสำเร็จประโยชน์แห่งการบวชไม่ดังนั้น ภิกษุและพิกษณีเมื่อชักกายออกจากกามแล้วควรพยายามชักใจออกจากกามความเพลิดเพลินลงไหลเสียด้วยพุทธสุภาษิตของพระศาสดาเหมือนกับว่าตรัดปอดเราโดยเฉพาะทั้งหน้าละอาใจจริงๆที่เราเข้ามาบวชนี้ก็ไม่ได้มุ่งหมาย ที่จะทำลายกองตันหาอะไรเลยแต่เพื่อมาให้อยู่ใกล้บุคคลอันเป็นที่รักต่างหากเล่าคิดแล้วนางก็ยิ่งกระวนกระวายใจมากยิ่งขึ้นพระอานนรือ ก, ก็ไม่เคยทักทายปลาัยเป็นส่วนตัวเลยการได้เห็นคนที่ตนรักเป็นความสุขก็จริง แต่มันเล็กน้อยเกินไปเมื่อนำมาเทียบกับความทรมานในขณะที่ต้องอยู่ยังโดดเดี่ยวว้าเวใต้กำแพงสีเหลืองแห่งกาสาวพักนางพยายามสะกดใจมิให้คิดถึงพระอานุนพยายามท่องบนพระธรรมวินยัยแต่ทุกขณะจิตที่ว่างลง ดวงใจของนางก็จัดร่รมครวนถึงพระ อ, อนนท์อีกนางรู้สึกตัวศีสะแล้ววิงเวียนเพราะความคิดหมก ม, มุ่นและสับสนนี่ละกระมังที่พระ อ, อนนท์พูดไว้แต่แรกที่พบกันว่าความรักเป็นความร้ายแต่เมื่อข้ารักท่านไปแล้ว ข้าควรจะทำทฉันใดดีข้าคิดถึงท่านเหลือเกินพระอานนุนวันหนึ่งนางจึงได้ชวนเพื่อนภิกษุณีรูปหนึ่งไปหาพระอานุนพระอานุนนั้น เป็นผู้มีอัธยาศัยอันงดงามจิงต้อนรับนางด้วยเมตตาธรรมทำให้นางรู้สึกชุ่มชื่นเหมือนข้าวกล้าที่จูนจะแห้งเกรียมเพราะขาดน้ำชุ่มชื่นขึ้นเพราะฝนหลงฤดูหลังมาแต่เมื่อนางจะลากลับนั่นเองความสุขใจของนาง ก็ได้มาลายหายไปสิ้นน้องหญิงต่อไปเมื่อไม่มีธุระอะไรก็อย่ามาอีกถ้ามีความสงสัยเกี่ยวกับข้อธรรมมวินัยอันใดก็ให้ถามเมื่ออาตมาไปสู่สำนักภิกษุณีเพื่อให้โอวาทเธอ ตลอดคืนทั้งน้อยใจเสียใจและเจ็บใจในตนเองพระอนอนหรือก็ทั้งใจไม้ใจรรรมจะเห็นแก่ความรักของเราบ้างหรือก็ไม่มีเลย ใกล้ได้ยินเสียงสะอื้นในยามดึกจึงลุกมาหาด้วยความเป็นห่วงโคกิลามีเรื่องอะไรหรือเจ้าร้องไห้ทำไมกันอ๋อสุมิตราไม่ไม่มีอะไรหรอกข้าฝันร้ายไปรู้สึกตกใจมาก เือร้องไห้ออกมาขอบใจมากที่ท่านเป็นห่วงค่านั้นเองหรือเอาอย่างนี้สิพระศาสดาสอนให้เจริญเมตตาแล้วจะไม่ฝันร้ายท่านเจริญเมตตาหรือเปล่าล่ะก่อนนอนนะ่ะจริงสิข้าลืมไปท่านกลับไปนอนสิเถิดข้าขออภัยด้วย ที่ร้องไห้ปลุกท่านจนตื่นตอนนี้ข้าไม่เป็นอะไรแล้วล่ะอย่าลืมเจริญเมตตาก่อนนอนนะโกกีลาข้าไปนอนก่อนนะเมื่อพิกษุนีสุนิตรากลับไปแล้วพิกษุนีโกกีลาก็นอนคิดถึงชีวิตของตัวอยู่คนเดียวงิ่งเงียบ ชีวิตของเรานี้ช่างเต็มไปด้วยความเป็นทาตเมื่อก่อนบวชก็เป็นทาตทางกายพอปลีกสนจากทาตทางกายมาได้ก็มาตกเป็นทาตทางใจเขาอีกแน่นอนทีเดียว ผู้ใดตกอยู่ในความรักดวงใจของผู้นั้นย่อมเป็นทาตทาตของความรักและทาตรักนั้นจะไม่มีใครสามารถช่วยปลดปล่อยได้นอกจากเจ้าของดวงใจจะปลดปล่อยเอง บางทีการอยู่ห่างจากพระอานอนท์บ้างอาจจะเป็นยารักษาโรคได้บ้างกระมังด้วยเหตุนี้นางจึงหนีรักออกมาจากวัดเชตวันไปพำนักอยู่ณนะวัดโคสิตารามณนะกรุงโกสัมพี ตลอดเวลาในช่วงเข้าพรรษาสามเดือนที่อยู่ห่างจากพระอานุนทำให้ความรักในใจของนางสงบลงไปมากดวงจิตของเราพองแผ้วแจ่มใสาขึ้นมากการบำเพ็ญสมณธรรมก็ดีขึ้นตามไปด้วยคราวนี้ เราคงตัดอะไรในพระอานนุ์ได้เป็นแน่แท้แต่แล้วการเสด็จมายืนกรุงโกสัมพีของพระพุทธองค์หลังออกพรรษาก็กลับทำให้ไฟรักในใจของทิกษุนีโกกิลาคุกรุ่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งลำพังความรักนั้นมีวงจรของมัน จนกว่ารักนั้นจะสิ้นสุดลงด้วยว่าความรักนั้นมีลักษณะคล้ายเงาเมื่อบุคคลวิ่งตามมันจะวิ่งหนีแต่เมื่อเขาวิ่งหนีมันจะวิ่งตามใครเล่าจะทราบว่าดวงใจของโกกิลาภิกษุณีจะเป็นอย่างไรบ้าง เมื่อบ่ายวันหนึ่งเพื่อนภิกษุณีนำข่าวมาบอกนางว่านี่โกกีลาท่านทราบไม่ว่าพระาศาสดาจะเสด็จมาที่นี่เร็วๆนี้อย่างนั้นหรือเสด็จมาองค์เดียวหรืออย่างไรไม่องค์เดียวดอกใครๆก็รู้ว่าเมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาจะต้องมีพระเถระผู้ใหญ่มาด้วย แต่ท่านที่ต้องตามเสด็จแน่ๆก็คือพระอานนท์พุทธอนุชาพระอานนท์ทำไมหรือโกกีลาดูท่านตื่นเต้นมากเหลือเกินแปลกจังท่านไม่เคยมีอาการแบบนี้มาก่อนเลยนี่เปล่าเปล่าหรอกเขาเปเจ้าดีใจที่จะได้เฝ้าพระศ า, าสดาและฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์ข้าดีใจ จนควบคุมตัวเองไม่ได้นะ่ะใครๆเขาก็ดีใจกันทั้งนั้นแหละกกลาดีใจที่จะได้ฟังธรรมากาถาอันลึกซึง้งและได้ฟังมัทุรภาสิทธิ์ของพระมหาเถระทั้งพระสารีบุตรพระมหากษปะหรือพระอนนะ์น่ะและแล้ววันที่รอคอยก็มาถึง พระศาสดามีพระภิกษุสงฆ์อรหันต์มู่ใหญ่เวทล้อมสเสด็จถึงกรุงโกสัมพีรพระราชาทิปดีอุเทนเสนาอังมาศพ่อค้าประชาชนนับแสนอีกทั้งสมณะพระมนาจารถวายการต้อนรับยามมะโหลานยิ่งดอกไม้หลากสี ล้วนถูกนำมาโปรยปลายลงยังมรรคาเพื่อเป็นพุทธบูชาในบริเวณอารามก่อนเสด็จถึงพระคันธกุดีมีภิกษุและภิกษุณีจานวนมากรอรับเสด็จทุกท่านมีแววแห่งปิติปราโมช ถวายบังคมพระศาสดาด้วยความเคารพสูงสุดพระอานุนตามเสด็จพระพุทธองค์ด้วยกิริยาที่งดงามมองดูหน้าเลื่อมใสทุกคนต่างก็ชื่นชมพระศาสดาและพระอา น, นุนทันทีที่โกกีลาภิกษุณีได้เห็นพระอา น, นุน ความรักซึ่งสงบตัวอยู่ก็ฟุ้งขึ้นมาอีกคราวนี้ดูเหมือนจะรุนแรงยิ่งกว่าครั้งก่อนเพราะนางมิได้เห็นพระอานนุนมาถึงสามเดือนความรักที่ทำท่าจะสงบลงไปนั้นราวกับเป็นตินชาติที่ถูกเล็มปลายเมื่อขึ้นใหม่ ย่อมขึ้นได้สวยกว่าและแผ่ขยายได้มากกว่านางจึงรีบกลับสู่ห้องของตนจริงอย่างที่สุดในจักรวาลนี้ไม่มีไฟอะไรร้อนแรงและดับยากเท่าไฟรักคนเราททำอะไรลงไป ด้วยเหตุผลเพียงสองประการเท่านั้นคือเพราะหน้าที่อย่างหนึง่งและเพราะความเรียกร้องของหัวใจอย่างหนึง่งเราเป็นทิกษุณีไม่ใช่หญิงชาวบ้านธรรมดาเราต้องทําลายกามฉันทะให้หมดไปเราต้องทําลายทั้งความรักและความใคร่นี่เราจะต่อสู้กับความเรียกร้องของหัวใจได้ไหมหนอะ นิจจาโกกีลาแม้เธอจะรู้ว่าความรักของเธอไม่มีทางจะสมปรารถนาได้เลยแต่เธอก็ยังรักและสุดที่จะหักห้ามหรือไถ่ถอนได้อีกคืนหนึง่งที่นางต้องกระวนกระวายรันจวนจิตถึงพระอานุน่ม ได้แต่ น, นอนพลิกไปพลิกมานม่อาจคมตาหลับลงได้พระดำรัสของพระศ า, าสดาซึ่งทรงแสดงแก่พุทธบริษัทเมื่อสายันยังคงแว่วอยู่ในสูตรของนางไม่ควรปล่อยตนให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งความรักเพราะการพลัดพรากจากสิ่งที่รัก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 นางโกกีลาเที่ยวเดินชมโน่นชมนี่ในบริเวณโคสิตารามเพื่อบันเทาความกระวนกระวายกลัดกลุ้มลงบ้างเธอเดินมาหยุดยืนชมบัวซึ่งบานสะพรั่งอยู่ริมสระเธอชอบมานั่งเล่นบริเวณสระนี้เสมอเสมอ ลมพัดรวยรินเอากลิ่นดอกบัวและกลิ่นน้ำคระเคล้ากันมาทำให้นางมีความเฉ้มชื่นขึ้นบ้างขณะที่นางกำลังเพลินอยู่กับธรรมชาติอันสวยงามจนดูเหมือนความรุ่มร้อนจะคลายลงไปได้บ้างนางได้ยินเสียงคนเดินมาข้างหลังทันทีที่นางเหลียวไปดู กมพบกับพระอานุนและโคสิตมหาเศรษฐีเจ้าของอารามนั่นเองทันทีทันใดนั้นนางเริ่มรู้สึกคล้ายกับจะจับไข้และเมื่อพระอานุนเข้ามาใกล้นางก็พงหะถอยหลังไปโดยไม่ได้ระวังตัวเท้าข้างหนึ่งของเธอ บังเอิญเหยียบดินแข็งก้อนหนึ่งจนเสียหลักล้มลงอุยอ๊ยออพระอานนท์และโคสิตมหาเศษฐีตกตะลึงจังงังยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งจึงได้สติแต่ก็ไม่ทราบจะทำประการใดไ ด, ได้ผู้ที่ล้มลงไปนั้นเป็นภิกษุณี อันใครๆจะถูกต้องนี้ได้ทั้งคราวาสและบรรพชิตในที่สุดนางพยายามช่วยตัวเองจนลุกขึ้นมาสำเร็จแล้วจึงคุกเข่าลงเบื้องหน้าพระอานนนไม่เป็นไรเจ้าค่ะข้าลุกขึ้นเองได้อเธอเป็นอะไรไหมน้องหญิงอาตมาขอโทษด้วย ที่ทำให้เธอตกใจและลำบากเธอเจ็บตรงไหนบ้างไหมเสียงเรียบๆแต่แฝงไว้ด้วยความห่วงใยของพระอานุนเสมือนน้ำทิพชลมใจนางให้ชื่นบานนางช้อนสายตาขึ้นมองพระอานุนแวบหนึ่งแล้วกลับก้มหน้าต่อไป ราวกับมีอะไรมาจุกที่คอหอยไม่มีเสียงตอบจากนางเพราะนางพูดไม่ออกบอกไม่ถูกว่าดีใจหรือเสียใจที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นน้องหญิงเธอเจ็บหรือไม่อัตมาเป็นห่วงว่าเธอจะเจ็บไม่เป็นไรพระคุณเจ้า เธอมาอยู่ที่นี่สุขสบายดีหรือพอทนได้พระคุณเจ้าถ้าเป็นเช่นนั้นก็ดีแล้วโกกีลารันกล่าวจบบุรุษทั้งคู่ก็จากไปโกกีลาเดินตามพระอานนท์ไปเหมือนถูกสะกดครู่หนึ่งนางจึงนึกรู้ตัวขึ้นมาได้ จึงเปลี่ยนเส้นทางกลับสู่ที่พักด้วยใจเศร้าหมองบุคคลเมื่อมีความปรารถนายังรุนแรงย่อมคิดหาอุบายเพื่อให้บรรลุถึงสิ่งที่ปรารถนานั้น เมื่อไม่ได้ด้วยอุบายที่ชอบก็พยายามทำโดยเล่มานยายิ่งเป็นความปรารถนาในเรื่องรักด้วยแล้วย่อมหันเหบิดเบือนจิตใจของผู้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมันให้กระทำได้ทุกอย่างทั้งที่ควรและไม่ควร ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเมื่อใดความรักและความหลงครอบงำเมื่อนั้นบุคคลก็มืดมนเสมือนคนตาบอด แต่หรือเปล่าโกกีลาทำไมจึงปิดกุฏินอนแต่หัววันละ่ะท่านภิกษุณีสุนันทาข้าพเจ้าดูเหมือนจะมีอาการไข้ตะครั่นตะคอเนื้อตัวก็หนักไปหมดแล้วท่านฉันยาแล้วหรือโกกีลาเรียบร้อยแล้วถ้าท่านมีอะไรให้ข้าพเจ้าช่วยท่านได้บ้างก็ให้บอกมาเถอะนะ อย่าเกรงใจเลยข้าพเจ้ายินดีเสมอถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าก็มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะขอร้องท่านถ้าท่านเต็มใจจะช่วยเหลือก็พอทำได้มีอะไรบอกมาเถิดถ้าข้าพเจ้าช่วยได้ข้าพเจ้าก็ยินดีท่านรู้จักพระอานอนท์ไม่ใช่หรือรู้สิกกิลา พระอานนท์ใครๆก็ต้องรู้จักท่านเว้นแต่ผู้ไม่รู้จักพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นจึงจะไม่รู้จักท่านมีธุระอะไรกับพระอนนท์หรือเวลานี้ข้าพเจ้ากําลังป่วยข้าจึงอยากขออาศัยความอนุเคราะห์เกื้อกูลของท่านไปหาพระอานนท์แล้วเรียนท่านตามคําขอของข้าว่า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 พระอาณน์เมื่อได้รับคำบอกเล่าจากสุนันทาภิกษุณีแล้วก็ให้รู้สึกเป็นกังวลถึงโกกีลาภิกษุณียิ่งนักด้วยความที่ท่านเป็นคนอ่อนโยนมีเมตตาจิตสูงนั่นเองหรือจะเป็นเพระนางหกล้มเมื่อบ่ายนี้กระมัง จึงเป็นเหตุให้นางป่วยไข้อเนจจาโคกีฬาเธอรักเราเราหรือจะไม่รู้แต่เธอมาหลงรักคนที่ไม่มีหัวใจจะรักเสียแล้วด้วยความเมตตาแก่นางพระอานุนก็มาเยี่ยมนางพร้อมกับพระรูปหนึ่งที่เป็นปัจชาสมณนะ ด้วยความสงสารและเวทนาต่ออาการป่วยไข้ของนางแต่เมื่อมาพบเห็นอาการของนางโกกีลาภิกษุณีแล้วความกังวลใจของท่านก็ค่อยๆ ค, ค, คลายลงความฉลาดยังเลิศล้ำของพระพุทธอนุชาแทงทะลุความรู้สึกและอาการเสแสร้งของนาง ท่านไม่เชื่อเลยว่านางจะเป็นไข้จริงพระพุทธอนุชาตระหนักดีว่าตนเองถูกหลอกแต่เอาเถิดโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีเหมือนกัน ที่จะแสดงบางอย่างให้นางทราบเพื่อนางนนจะได้ละความพยายามเลิกรักเลิกหมกมุ่นในโลกีวิสัยหันมาทำความเพียรเพื่อละสิ่งที่ควรละและเจริญสิ่งที่ควรทำให้เจริญเหมาะกับเพศภิกษุณีแห่งนาง ซึ่งคงจะเป็นประโยชน์เกื่กูลแก่นางไปตลอดกาลนานคงจะเป็นปฏิการอันประเสริฐสำหรับความรักของนางผู้พักดีต่อเราตลอดมาเมื่อปรารบได้ดังนั้นพระอานุนก็กล่าวกับนางอย่างเยือกเย็นและนุ่มนวลเช่นพี่ชายสอนน้องหญิง โกกีลาเอยชีวิตนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องหน้าละอายทรงตัวอยู่ด้วยเรื่องที่ยุ่งยากสับสนและจบลงด้วยเรื่องเศร้านอกจากนั้นชีวิตนี้ก็ยังขึ้นต้นและจบลงด้วยเสียงคร่ำครวญเมื่อลืมตาขึ้นดูโลกเป็นครั้งแรกเราก็ร้องไห้ และเมื่อจะหลับตาลาโลกเราก็ร้องไห้อีกหรืออย่างน้อยก็เป็นสาเหตุให้คนอื่นหลั่งน้ำตาเด็กร้องไห้พร้อมกับคำมือนั่นเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาเกิดมาเพื่อจะน่วงเหนี่ยวยึดถือส่วนคนตายนั้นทุกคนล้วนแบมือออก เหมือนจะเตือนให้ผู้อยู่เบื้องหลังสำนึกและเป็นพยานว่าเขาไม่ได้เอาอะไรไปได้เลยเมื่อต้องลาจากโลกนี้ไปอาตมานั้นเกิดแล้วในสักยะวง์อันมีศัก์เมื่อตัดสินใจออกบวชติดตามพระพุทธองค์ก็มีอายุได้36ปีจึงกล่าวได้ว่า เคยผ่านความรักมาแล้วและได้ประจักษ์ว่าความรักนั้นเป็นความร้ายความรักเป็นสิ่งทารุณและเป็นเครื่องทําลายความสุขของปวงชนอาตมากลัวต่อความรักนั้นทุกคนต้องการความสมหวังในชีวิตรักแต่ความรัก ไม่เคยให้ความหวังแก่ใครถึงครึ่งหนึ่งแห่งความต้องการยิ่งความรักที่ฉาบทาด้วยเสน่หาด้วยแล้วจะเป็นพิษแก่จิตใจทำให้ทุรนทุรายดิ้นรนไม่รู้จักจบสิ้นเพราะความสุขที่เกิดจากความรักเป็นเสมือนความสบายของคนป่วยที่ได้กินของแสลง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 อย่าหวังอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรักความสเสนหาซึ่งไม่เคยเป็นที่พึ่งจริงจังให้แก่ใครได้เลยมันเป็นเสมือนตอที่ผุจะล้มลงทันทีเมื่อถูกคลื่นซัดสาดธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์ ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใดการกระทาที่ทำไปแล้วต้องมนึกเสียใจในภายหลังนั้นพระศาสดาทรงสอนให้เว้นเสียเพราะฉะนั้นแม้ประสบปัญหาหัวใจหรือได้รับความทุกข์ยากลำบากสักปานใดก็ต้องไม่ทิ้งธรรมะ มนุษย์ที่ยังมีอาสะวะอยู่ในใจนั้นย่อมจะมีวันพลังเผลอประพฤติผิดธรรมไปบ้างเพราะยังมีสติไม่สมบูรณ์แต่เมื่อได้สติภายหลังแล้วก็ควรจะตั้งใจประพฤติธรรมสั่งสมความดีกันใหม่ยิ่งพวกเรานักบวช ด, ด้วยแล้วจำเป็นต้องมีอุดมมคติมากกว่าคนอื่น น้องหญิงธรรมดาว่าไม้จันนั้นแม้จะแห้งก็ไม่ทิ้งกลิ่นหัดเสดินเข้าลงสู่สงครามก็ไม่ทิ้งลีลาอ้อยแม้เข้าสู่หีบยนแล้วก็ไม่ทิ้งรสหวานบัณฑิตแม้ประสบทุกข์ก็ไม่ทิ้งธรรมพระศาสดาทรงย้ำว่า พิ้นสลับทุกสิ่งเพื่อรักษาธรรมระหว่างที่พระอานุนเทศนาโปรดภิกษุณีโกกีลาไปท่านก็เหลือบมองดูอาการแห่ง น, นางไปเมื่อท่านเห็นว่านางนิ่งฟังอยู่นิได้มีท่าทีต่อต้านท่านก็กล่าวต่อไป ด้วยน้ำเสียงอันหนักแน่นมั่นคงโกกีลาเอยเธอได้สละเพศคารวาดมาแล้วซึ่งเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ยากที่ใครๆจะสละได้จงเสียสละต่อไปเถิดและขอให้เธอสละให้ลึกกว่านั้นคือจงสละความรู้สึก อันจะเป็นค่าศึกต่อเพศเสียด้วยน้องหญิงพระศาสดาทรงสอนว่าบุคคลอาจอาศัยอาหารและอาหารได้คืออาศัยอาหารเพื่อ ย, ยังชีพแล้วจึงละความพอใจในรสแห่งอาหารนั้นหรืออาจอาศัยตัณหาละตัณหาได้เช่น อาศัยความทยานอยากจะบรรลุอรหันต์เพื่อฝึกฝนตนเองจนเป็นพระอรหันต์แล้วจึงสลักความทยานอยากทั้งปวงได้อาศัยมานะละมานะได้เช่นเมื่อเห็นผู้อื่นบรรลุอรหันต์ได้ก็เกิดมีมานะว่าเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันกับเขา ก็น่าที่จะทําได้เท่าเทียมกันแต่สําหรับเมธุนธรรมนั้นใครๆจะอาศัยละไม่ได้เลยพระผู้มีพระภาคจึงทรงสอนให้ชักสะพานเสียอย่าทอดสะพานเข้าไปเพราะอาศัยละไม่ได้ทางที่ดีคืออย่าทอดสะพานเข้าไปอาศัยเลย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 มีความคับแยนเป็นมูลและมีทุกข์เป็นผลเมื่อพระอานุ์พูดจบก็คอยจับกิริยาของโกกีลาว่าจะมีความรู้สึกอย่างไรครั้งนี้ธรรมกถาของท่านได้ผลพิกษุนีค่อยๆลุกจากเตียงสลัดผ้าห่มออก แล้วจิงคลานมาหมอบ เ, เท้าของพระอาหนุนนางสะอึกสะอื้นจนเทิมสั่นไปทั้งตัวนางพูดอะไรไม่ออกเพราะรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ความรักของนางนี้ได้รับ ก, การตอบสนองเลยแม้แต่น้อยยิ่งกว่านั้นเมื่อนางทราบว่า พระอานุนนี้ได้เชื่อในอาการลวมของนางเลยจึงเกิดความละอายสุดที่จะทนทานได้นางจึงไม่สามารถพูดคำใดได้เลยนอกจากทอนสะอื้นอยู่ไปมาน้องหญิงหยุดร้องไห้เสียเถิดการร้องไห้ไม่มีประโยชน์อะไร ทั้งยังไม่ช่วยให้เรื่องหนักใจของเธอให้คลายลงได้พระอานุนนั้นปลอบนางอย่างพระอริยะแท้คิกสุผู้เป็นปัจชาสมณนะของพระอานุนต้องเบือนหน้าหนีไปทางหนึ่งด้วยเกรงว่าจะไม่สามารถกลั้นน้ำตาไว้ได้ จึมีโกกิลาจึงกล่าวออกมาข้าแต่พระคุณเจ้าข้าจะพยายามเพ้่มกลืนฝืนใจปฏิบัติตามโอาวาทของท่านแม้จะเป็นความทรมานสักปานใดข้าพระเจ้าก็จะอดทนและขอเธอทูลพระอนุชาวไว้ เป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงข้าไม่เจียมตัวเองจึงต้องทนทุกข์ทรมานถึงปานนี้ข้าเป็นเพียงข้าทูนหม้อ น, น้ำซึ่งพึ่งจะสำนึกตนเวลานี้เองความรักความอาลัยทำให้ข้าลืมชาติกำเนิด และความเหมาะสมใดๆทั้งสิ้นมาหลงรักพระอนุชาผู้สูงศักดิ์เช่นนี้น้องหญิงเรื่องชาติเรื่องตระกูลนั้นอย่านำมาปลารมเลยอัตมามิได้เคยคิดถึงมันมาเป็นเวลานานแล้วที่อัตมาไม่รักน้องหญิงมิใช่เพราะว่าเธอเป็นทาสีดอก แต่เพราะอาตมาเห็นโทษแห่งความรักความเสน่หาตามที่พระาศาสดาทรงสอนอยู่เสมอมัด น, นี้อาตมาเป็นอริยะวง์มีหน้าที่ต้องบำรุงพระาศาสดาผู้เป็นนาถของโลกและต้องพยายามทำหน้าที่กําจัดอาสวะในจิตใจมิใช่เพิ่มอาสวะให้มากขึ้น เพราะเมื่ออาสวะยังไม่สิน้นก็ย่อมจะต้องเวียนว่า ย, ยู่ในวัฏฏสงสารอีกจะเป็นเวลานานเท่าใดก็สุดจะประมาณน้องหญิงเธออย่าน้อยใจในชาติตระกูลอันต่ำต้อยของเธอเลยมนุษย์ไม่ว่าจะเกิดในวั น, นใด ย่อมตกอยู่ภายใต้กฎธรรมดาเหมือนกันหมดคือต้องเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นนอกจากนี้มนุษย์ทุกคนล้วนมีเลือดสีแดงรู้จักกลัวภัยและใคร่ความสุขเสมอกันเมื่อเป็นเช่นนี้ จะมามัวแบ่งแยกชั้นวันณะกันอยู่ทำไมคนเรานั้นไม่ว่าจะเกิดในวันณะใดเมื่อประพฤติดีก็เป็นคนดีเหมือนกันหมดเมื่อประพฤติชั่วก็เป็นคนชั่วเหมือนกันหมดมาช่วยกันกระพือสันติสุขให้แก่โลกที่ร้อนระอุนี้จะไม่ดีกว่าหรือ ข้าแต่ท่านผู้อริยวงศ์กายกรรมวจีกรรมที่ข้าพเจ้าล่วมเกินท่านและจะพึงขอโทษนั้นไม่มีส่วนของมนโนกรรมอยู่ข้าพเจ้ารักท่านและรักอย่างสุดหัวใจการที่ข้าพเจ้ารักท่านนั้นเป็นความผิดขอท่านผู้ประเสริฐ ได้โปรดอภัยในความผิดพลาดอันนั้นด้วยโกกีลาเอ๋ยเธอจงตั้งหน้าพยายามทำความดีเถิดขอให้น้องหญิงเชื่อว่าการที่อาตมาไม่สามารถสนองความรักของเธอได้ไมิใช่เป็นเพราะอาตมารังเกียจเรื่องชาติตระกูลของเธอเลยแต่มันเป็นเพราะ อาตมารังเกียจตัวความรักนั่นต่างหากเจ้าคะ่ะพระคุณเจ้าข้าพระเจ้าจะพยายามพักคินีเอยอยันธรรมดาว่าความรักนั้นเป็นธรรมชาติที่เร่าร้อนอยู่แล้วถ้ายิ่งมันเกิดขึ้นในฐานะที่ผิดที่ไม่เหมาะสมเข้าอีกมันก็จะยิ่งเพิ่มแรงร้อนมากขึ้น การที่น้องหญิงจะรักอาตมาหรืออาตมาจะรักเธออย่างสเสน่หาอาไยนั้นและเรียกว่าความรักอันเกิดขึ้นในฐานะที่ผิดหรือไม่เหมาะสมขอให้เธอตัดความรักความอาไยเสียเถิดแล้วเธอจะพบความสุขความปลอดโปร่องอีกแบบหนึ่งซึ่งสูงกว่าประนีตกว่า จากนั้นพระอานุนพร้อมกับพระภิกษุผู้เป็นปัจชาสมณะก็ละจากโกกิลาภิกษุณีมาด้วยความรู้สึกที่แปลกประหลาดท่านได้เดินลัดเลาะมาทางริมสระแล้วนั่งลงพระอานุนถอนใจยาวด้วยความหนักใจเป็นยิ่งนัก ท่านนั่งคิดทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางครั้งก็รู้สึกสงสารภิกษุณีโกกีลายัางจับใจแต่ด้วยอัธยาศัยแห่งมหาบุรุษประดับด้วยบารมีธรรมนั้นต่างหากที่ทำให้ท่านสามารถข่มใจและสลัดความรู้สึกนั้นเสียได้ท่านปรารพ ตักเตือนให้สติแก่ตนเองว่าอาหนนเธอนั้นก็เป็นเพียงโสดาบันเท่านั้นราคะโทสะและโมหะยังไม่ได้ละเลยเพราะฉะนั้นอย่าประมาทเราอย่าได้เข้าใกล้หรือยอมพบกับภิกษุณีโกกีลาอีกเลย ธรรมชาติของจิตเป็นสิ่งที่ดิ้นรนกลับกลอกง่ายบางคราวปรากฏเหมือนช้างตกมันอานน์เอยจงเอาสติเป็นขอสำหรับเหนี่ยวรังช้างคือจิตที่ดิ้นรนนี้ให้อยู่ในอำนาจบุคคลผู้มีอำนาจมากที่สุดและควรแก่การสรรเสริญ น, นั้นคือ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 ตรึกตรองและให้โอวาตนเองอยู่พอสมควรแล้วก็เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่มีอะไรจะปิดบังพระองค์จึงกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้ทรงทราบ พ, พระมหาสมณะทรงทราบเรื่องนี้แล้วได้ประทานสาธุการแก่พระอานุน แล้วตรัสให้กำลังใจว่าอาน o น์เธอเป็นผู้มีบารมีอันได้สั่งสมมาดีแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแห่งเธอเรื่องที่เธอจะตกไปสู่ฐานะที่ต่ากว่านี้เป็นไม่มีอีกอาน o น์เธอคงลืมไปว่าพระโสดาบันนั้น มีการไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาจะต้องได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์อย่างแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งเธออย่าวิตกทุกข์ร้อนไปเลยพระอานุนมีอาการแช่มชื่นแจ่มใสขึ้นเพราะพระดำรัสประโลมใจของพระาศาสดานในวันนั้น หนาเย็นวันนั้นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จออกจากพระคันธกุดีสู่ธรรมสภาซึ่งมีพุทธบริษัททั้งหลายแห่งนครโกสัมพีประชุมกันอยู่อย่างพรั่งพร้อมพระพุทธองค์ทรงส่งขายแห่งพระญาณของพระองค์เพื่อสำรวจดูพุทธบริษัท ว่าผู้ใดจะสามารถบรรลุธรรมเบื้องสูงได้บ้างในวันนี้ทรงเล็งเห็นอุปนิสัยแห่งโกกีลาภิกษุณีว่ามีญาณแก่กล้าพอจะบรรลุธรรมได้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงประกาศ ธ, ธรรมจากอันประเสรศิฐด้วยพระสุรเสียงก้องกังวานดังนี้ ดูก่อนท่านทั้งหลายทางสองสายคือกามสุขาลิกานโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอตตกิลมาธานนโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรมพึงละเว้นเสีย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 เป็นความทุกข์ที่บุคคลต้องประสบทั้งสิ้นเมื่อกล่าวโดยสรุปการยึดมั่นในขันธ์ห้าด้วยตัณหาอุ ป, ปาทานนั่นเองเป็นความทุกข์อันยิ่งใหญ่ท่านทั้งหลายเราตะถาคตกล่าวว่าความทุกข์ทั้งมวล ยอมสืบเนื่องมาจากเหตุก็อะไรเล่าเป็นเหตุแห่งทุกนั้นเรากล่าวว่าตัณหานั้นเป็นเหตุเกิดแห่งทุกตัณหาคือความทยานอยากดิ้นรนซึ่งมีลักษณะเป็นสามคือดิ้นรนอยากได้อารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนา เรียกว่ากามตัญหาอย่างหนึ่งเดินรนอยากเป็นนั่นเป็นนี่เรียกว่าภวะตัญหาอย่างหนึ่งเดินรนอยากผลักสิ่งที่มีแล้วเป็นแล้วเรียกว่าวิภวะตัญหาอย่างหนึ่งนี่แหละคือสาเหตุแห่งทุกข์ขั้นมูลฐาน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 เราตถาคตแสดงไว้แล้วคืออริยมรรคมีองค์แต่ท่านทั้งหลายจงมีธรรมะเป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยเราตถาคตเองเป็นที่พึ่งแก่ท่านทั้งหลายไม่ได้ตถาคต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 พระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าในวันนั้นเหมือนเจาะจงเทศนาแก่ภิกษุณีโกกีลาโดยเฉพาะนางรู้สึกเหมือนพระองค์ประทับแก้ปัญหาหัวใจของนางให้หลุดร่วงพระองค์ผู้ญญทรงยานช่างหลักแหลม และมีพระมหากรุณาที่คุณเหลือเกินสมแล้วที่ใครๆพากันชมพระพุทธองค์ว่าเป็นเหมือนดวงจันท ร, ร์ซึ่งทุกคนรู้สึกเหมือนว่าจงใจจะส่องแสงสีนวลไปให้แก่ตนเพียงคนเดียวเมื่อเป็นดังนี้ภิกษุณีโกกีลา จึงได้ส่งกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนานั้นปลดเรื่องสังโยชน์คือกิเลสร้อยรัดจิตใจทีละขั้นโดยอาศัยความรักที่เกิดขึ้นใหม่คือความรักในพระธรรมภิกษุณีโกกีลาจึงดับความทุกข์ อันเกิดจากความรักใคร่สเสน่หาที่รุมเร้านางมาเป็นเวลานานลงได้จนสามารถประหารกิเลสทั้งมวลได้สำเร็จมรรคผลขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาบรรลุเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในค่ำคืนนั้นด้วยประการราชนี